3.8 ส, สิ่งสำคัญที่ช่วยผู้ปฏิบัติคือการยา น, นมิตรและโยนิโสมนานสิการวงเล็บเปิดพสพฤศจิกายน2549จุดจุดนาที28วงเล็บปิดการปฏิบัติจริงๆไม่ยากหรอกนะค่อยๆสังเกตสิ่งที่ช่วยเราได้มากเลยมีสองอันอันหนึ่งคือครูบาอาจารย์ซึ่งเรียกว่ากาลยา น, นมิตรอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคือโยนิโสมนสิการเราต้องแยบคายในการพิจารณาตัวเอง ยังเคยภาวนาดีๆต่อมาไปทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าไม่แยบคายก็รู้สึกหมู่นี้จิตสว่างดีจิตปโปร่งดีรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมถ้าแยบคายจะรู้ว่ามันไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นพอแยบคายในการรู้ตัวเองหรือหลวงพ่อเคยภาวนาจิตรวมลงไปพอถอยออกมาว่างหมดเลยโลกากระทัดว่างหมดทุกวันก็ว่างอยู่อย่างนั้นหลายๆวันมันมองได้อีก นี่เราแยกคายเราก็ดูมันไม่ใช่ของจริงหรอกยังเป็นของเสื่อมไม่ใช่ของจริงเสียดายไหมเสียดายแต่ต้องทิ้งเพราะไม่ใช่ของจริงมาเริ่มต้นใหม่ทำความสงบขึ้นมามารู้กายมารู้ใจเอาใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งเลยคลั่ไปเรื่อยทำไปทำไปนึกว่าดีแล้วดูไปหลายวันไม่ใช่อีกแล้วเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งอยู่เรื่อยๆนะ การปฏิบัติกว่าจะสบายมันก็ล้มลุกคลุกคลานทุกคนแหละทีนี้ถ้าเราท้อแท้อถอดใจเรารู้สึกแค่นี้สบายแล้วชาตินี้สบายแล้วชาติหน้าก็ยังสบายอีกเพราะไปอยู่พรหมโลกแต่ว่าวันหนึ่งก็ไม่พ้นกลับมาอีกนี่ต้องแยบคายนะแล้วใจถึงถึงถ้าไม่ใช่ของจริงก็อย่าไปห่วงมัน